อุปนิสัยสมบัติของผู้เป็นพระอาหารหันต์สองร้อยครั้งนั้นท่านพระโสณนะผู้ได้บรรลุอารหัตตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงพยากรอารัตตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถาวายอภิวาทแล้ว นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ไม่มีอาสวะกิเลสอยู่จบพรหมจรรย์แล้วได้ทำกิจที่ควรสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วไม่มีหน้าที่ต้องทำอีกบรรลุประโยชน์สูงสุดแล้ว สิ้นกิเลสเครื่องผูกไว้ในภพหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะหกคือ 1. นน้อมไปในเนคขมะ 2. น้อมไปในปะวิเวก 3. น้อมไปในความไม่เบียดเบียน 4. น้อมไปในความสิ้นอุปาทาน 5. น้อมไปในความสิ้นตัณหา หน้อมไปในความไม่รุ่มหลงพระพุทธเจ้าข้าบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทากิจที่ควรทาเสร็จแล้ว ไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปในเนคขมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมเป็นผู้น้อมไปในเนคขมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมเป็นผู้น้อมไปในเนคขมะเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะ พระพุทธเจ้าข้าบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ต้องการลาบสักการะและความสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปะวิเวกแต่ข้อนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาศพผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทากิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตน ยังจะต้องทำอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปในป่วิเวกเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมเป็นผู้น้อมไปในป่าวิเวกเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมเป็นผู้น้อมไปในป่าวิเวกเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะ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 ไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมเป็นผู้น้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมเป็นผู้น้อมไปเพื่อความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะ พระพุทธเจ้าข้าบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละย่อมเป็นผู้น้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมเป็นผู้น้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโทศเพราะปราศจากโทศย่อมเป็นผู้น้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโมหะ เพราะปราศจากโมหะพระพุทธเจ้าข้าบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละย่อมเป็นผู้น้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมเป็นผู้น้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะ ย่อมเป็นผู้น้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะพระพุทธเจ้าข้าบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้น้อมไปในความไม่รุ่มหลงเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมเป็นผู้น้อมไปในความไม่รุ่มหลงเพราะสิ้นโทสะ เพราะปราศจากโทสักย่อมเป็นผู้น้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลย จิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าสัทธารมณ์ที่รุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางหูมาปรากฏทางหูของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้สัทธารมณ์เหล่านั้น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 ของจิตนั้นพระพุทธเจ้าข้าภูเขาศิลาล้วนไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบอันเดียวกันถ้าลมฝนอย่างแรงพัดมาจากทิศตะวันออกก็ทำภูเขานั้นให้วันไหวสั่นสะเทือนไม่ได้ถ้าลมฝนอย่างแรงพัดมาจากทิศตะวันตกก็ทำภูเขานั้นให้วันไหวสั่นสะเทือนไม่ได้ ถ้าลมฝนอย่างแรงพัดมาจากทิศเหนือก็ทําภูเขานั้นให้หวันไหวสั่นสะเทือนไม่ได้ถ้าลมฝนอย่างแรงพัดมาจากทิศใต้ก็ทําภูเขานั้นให้หวันไหวสั่นสะเทือนไม่ได้แม้ฉันใดพระพุทธเจ้าข้าถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุ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 ก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้ารัารลมที่รุนแรงอันจะพึงรับรู้ทางลิ้นมาปรากฏทางลิ้นของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รัารณมเหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำ